บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อนมนมัสการพระภูมิพระภาพ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 ประเทศอธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลำดับภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านถึงอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิเมื่อท่านได้ตอบไปตอนหนึ่งแล้ว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 เอาวิชาอาสวะนี้ว่าต่างเป็นปัจจัยของกันและกันพระพุธธทธทิบายในปฏิสมุในปฏิจจสมุบาทนี้จบลงแค่เอาวิชาเป็นส่วนมากท่านระสาริบุตรได้จับเอาพระพุธธทธทิบายหรือพระธรรมเทศนาของพระพุท ธ, ธเจ้า ในที่อื่นมาเพิ่มกันอีกข้อหนึ่งคืออาสวัตอวิชชาเกิดเพราะอาสวะก็จบลงแค่อาสวะแต่ว่าอาสวะเกิดเพราะอะไรก็ต้องกลับมาหาอาวิชชาอีกว่าเกิดเพราะอาวิชชาซึ่งได้แสดงอธิบายในที่นี้แล้ว ว่าอาวิชชาเกิดเพราะอาสวะอย่างไรและอาสวะก็เกิดเพราะอาวิชชาอย่างไรจึงมาถึงข้อที่จะอธิบายต่อไปตามพระเถราราธิบายว่าเพราะอาวิชชาเกิดจึงเกิดสังขารและคำว่าสังขาร น, นั้นก็ได้อธิบายในที่นี้แล้วว่า ได้แก่สังขารสามคือกายสังขารได้แก่ลมอัดซาสะอัดาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกวจีสังขารได้แก่วิตกวิจาร์ความฝึกความตรองจิตรสังขารได้แก่สัญญาเวทนาในวันนี้จะได้อธิบายว่าอภิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร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 สังขารที่ไม่มีใจครองหรือไม่มีผูกครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารสังขารในเบญจขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตซึ่งหมายถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของจิตใจสังขารที่แสดงไว้ในโลกสาคือโอกาสโลกโลกคือ โอกาสอันได้แก่พื้นพนิภพนี้สังขารโลกโลกคือสังขารอันได้แก่ทุกทุกสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นจากพื้นพิภพนี้ตลอดจนถึงเป็นอุปาทินกะสังขารอุปาทินกะสังขารดังกลา่าวสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์ โดยตรงก็หมายถึงจิตใจซึ่งครองสังขารอยู่ซึ่งยังมีความคล่องความติดสังขารสามคือกายจะสังขารมจีสังขารจิตจสังขารที่ท่านพระสาริบุตรได้ยกมาอธิบายในข้อว่าสังขาร นี่และสังขารสามอีกหมดหนึ่งปุญญาผิสังขารปรุงแต่งบุญก็คือทาบุญอับปุญญาผิสังขารปรุงแต่งกรรมที่ไม่ใช่บุญคือบาปก็คือทาบาปอนเนชาพิสังขารปรุงแต่งธรรมะที่ไม่หวั่นไหว หมายถึงสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแนบสำหรับในข้อสังขารที่ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารหรือเพราะอาวิชชาเกิดสังขารเกิดนี้ก็มีอธิบายถึงสังขารสปบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขาร ในที่บางแห่งด้วยเหมือนกันยังรวมเข้าได้ว่าท่านยกเอาสังขารสามทั้งสองหมวดนี้มาอธิบายสังขารในที่นี้แต่ในเบื้องตอนนอ้นนี้จะได้อธิบายเป็นกลางๆ ก, ก่อนว่าสังขารก็คือสิ่งผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ที่เป็นไปทางจิตก็ามเป็นไปทางกายหรือเป็นไปอยู่ในโล ก, กธาตุทั้งสิน้นทีตปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่เป็นอย่างหยาบทั้งที่เป็นอย่างละเอียดล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิน้นถ้าหากว่าไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งหรือไม่มีการผสมปรุงแต่ง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 แลให้ใจออกนั่นเป็นดับก็สมมติเท่านั้นแต่อันที่จริงนั่นให้ใจเข้าเองก็เกิดดับเกิดดับเข้าไปเช่นที่แรกอยู่ที่ปลายจมูกก็แปลว่าเกิดที่ปลายจมูกเนี้ยก็เข้าไปก็ดับจากปลายจมูกเข้าไป ถึงจุดหนึ่งก็ไปเกิดที่นั่นจุดหนึ่งผ่านจุดนั้นไปก็ดับจากจุดนั้นไปเกิดในจุดอื่นต่อไปอีกหายใจออกก็เหมือนกันก็แปลว่าเกิดเหมือนกันคือลมหายใจนั้นในส่วนที่นำออกก็เกิดตั้งแต่จุดออกที่แรกผ่านจุดนั้นมาก็ดับจากจุดนั้นอีกจุดหนึ่งก็มาเกิดที่จุดนั้น ผ่านแล้วก็ดับที่จุดนั้นมาสู่อีกจุดหนึ่งก็มาเกิดอีกจุดหนึ่งเรื่อยมาดังนี้จนถึงปลายจมูกก็พ้นปลายจมูกไปดังนี้คือสังขารปรุงแต่งไม่หยุดชีวิตจึงดำรงอยู่ได้นอกจากนี้อาการทั้งหลายในร่างกายนี้ที่แบ่งเป็นอาการสามิเอ็ดหรืออาการสามสิบสองหรือว่าจะแบ่ง ตามหลักสรีระศาสตร์ในปัจจุบันทั้ที่เป็นส่วนภายนอกทั้งนี้เป็นส่วนภายในล้วนมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดทุกส่ว น, ท, วนทุกสิ่งไม่มีหยุดการปรุงแต่งชีวิตเป็นดำรงอยู่เพราะฉะนั้นสังขารคือความปรุงแต่งนี่จึงเป็นตัวชีวิต ของร่างกายนี้เมื่อหยุดการปรุงแต่งโดยที่ไม่มีสันติสุคือความสืบต่อก็แปลว่าชีวิตนี้ดับซึ่งเรียกตามภาษาธรรมะว่ากายแตกทำลายกายนั้นแปลว่าประชมุมส่วนทั้งหลายที่มาประชุมกันเป็นกายนี้แตกทำลายจึงหยุดปรุงแต่ง ร่างกายนี้จึงเริ่มเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพังต้องนำไปเผาไปฟังแม้จะไม่เผาก็ผุพังไปเองซึ่งในที่สุดก็แตกสลายไปหมดเพราะเหตุว่าหยุดความเป็นสังขารคือหยุดความปรุงแต่เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสยกเอาลมอัศสะปัสสะขึ้นมา ว่าเป็นตัวกายจะสังขารเครื่องปรุงแต่งกายเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเห็นได้กายนี้ดำรงชีวิตอยู่ก็เพราะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับก็แปลว่าเครื่องปรุงกายนี้ดับกายนี้ก็แตกสลายจิตใจก็เหมือนกันมีเครื่องปรุงแต่ง คือมีวิตกมีวิจารความตึกความตรองหรือความคิดซึ่งเป็นเหตุให้พูดออกมาเป็นวาจาวาจาที่พูดนี้ก็เพราะมีวิตกวิจารคือความตึกความตรองจึงเป็นอันว่าต้องมีวิตกวิจารความตึกความตรองขึ้นก่อนวาจาจึงจะออกมาถ้าหากว่า ไม่มีความสึกความตรองก็ไม่มีวาจาเพราะฉะนั้นความสึกความตรองเปลียงเปลนเครื่องปรุงวาจาที่เรียกว่าวจีสังขารวาจานี้เป็นผลที่ออกมาจากวิตกวิจัยความสึกความตรองและจิตที่มีคิดเป็ต่างๆดังเช่นมีวิตกวิจัยความสึกความตรอง ซึ่งเป็นความปรึกความตรองของจิตนั่นเองก็เพราะว่ามีสัญญามีเวทนาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เวทนาก็ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเราะมีสัญญาเวทนานี้จิตจึงมีความคิดหรือมีวิตกมีวิจยัยความปรึกความตรองไปต่างๆถ้าไม่มีสัญญาไม่มีเวทนา จิตก็ไม่ปรากฏคือจะไม่มีความคิดไม่มีความปึกความตรองต่างๆพระฉะนั้นสัญญาเวทนานี้เป็นจริงเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตอันคนที่จะตายนั่นท่านแสดงไว้ว่าดับวจีสังขารคือดับวิตกวิจัยความปึกความตรองก่อน วาจาจึงดับนิ่งไม่พูดเพราะไม่มีความตึกความตรองแต่ว่าเพียงนี้ยังไม่ตายต่อไปก็ดับสังขารคือดับลมอัศสาสะปัตสาสะหยุดหายใจแต่ว่าแม้จะดับลมหายใจดับกายสังขารก็ยังไม่ตาย จะต้องดับสัญญาเวทนาซึ่งเป็นตัวจิตสังขารเมื่อดับสัญญาเวทนาที่เป็นตัวจิตสังขารนั่นแหละจึงจะตายซึ่งค้อ น, นี้ก็ตรงกับความรู้ในปัจจุบันที่ว่าแม้ว่าจะดับลมหายใจเข้าออกแต่ว่าถ้าสมองยังไม่ดับคนก็ยังไม่ตาย ต้องสมองดับเพราะฉะนั้นจึงมาตรงกับที่ว่าจะต้องดับสัญญาเวทนาซึงเป็นจิตสังขารดับกิตสังขารดับสัญญาเวทนานั่นแหละจึงจะตายนี่คือสังขารสามและเมื่อสังขารสามดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ คนยังมีลมหายใจเขาออกอยู่มีวิตกวิจารอยู่มีสัญญาเวทนาอยู่ร่างกายก็ยังดํารงอยู่จะเป็นไปได้เดินยืนนั่งนอนได้อาการต่างๆในร่างกายนี้ใช้ได้มือเท้าใช้ได้จากูประสาทโสนประสาทเป็นต้นใช้ได้ พูดได้คิดอะไรได้ก็เพราะว่าสังขารทั้งสามนี้ยังดำรงอยู่และเมื่อเป็นดังนี้จึงทำดีได้ทำชั่วได้ตลอดจนถึงทำสมาธิจนถึงได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นได้เพราะฉะนั้นจึงมีปุญญาสังขาร ญญ ป, ปัญญาพิสังขารปรุงแต่งบุญปัญญาพิสังขารปรุงแต่งบาปคือทำบุญทำบาปอันเนรชาพิสังขารทำสมาธิกันได้ดังที่มาปฏิบัติทำสมาธิกันนี้ขะนั้นแม่บุญแม่บาปแม่สมาธิที่ทำกันนี้ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งต้องปรุงต้องแต่งคือต้องทำ ถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญไม่เกิดเป็นบาปไม่เกิดเป็นสมาธิที่แนบแน่นต้องทำคือต้องปรุงต้องแต่งให้เป็นบุญขึ้นมาจึงเป็นบุญให้เป็นบาปขึ้นมาจึงเป็นบาปให้เป็นสมาธิขึ้นมาจึงเป็นสมาธิคือทำได้แม้มักมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้ปฏิบัติเป็นตัวมัก ข้ปฏิบัติถึงความดับทุกข์ทุกข้อก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งประสมปรุงแต่งคือต้องปฏิบัติต้องกระทำต้องปฏิบัติอบรมทิฏฐิคือความเห็นให้เห็นถูกเห็นชอบกินจะเป็นสมาทิฏฐิต้องปฏิบัติอบรม ค, ความดํ า, าริให้ถูกให้ชอบกินจะเป็นสมถสังกป า, าความดําริชอบต้องปฏิบัติต้องกระทํากรรมทางกายให้ถูกให้ชอบ เว้นจากที่ไม่ถูกไม่ชอบจึงจะเป็นสัมมากรรมมันตับทั้งวาจาก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาวาจาชีพก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาอาชีวะความเพียรก็เหมือนกักนจึงจะเป็นสัมมาวายามะสติก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาสติสมาธิก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาสมาธิคือต้องทําต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ทําไม่ปฏิบัติมักไม่องแปดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสเอาไว้ว่ามักไม่องแปดนี้เป็นยอดของสังฆ ธ, ธรรมธรรมะปรุงแต่งขึ้นเพราะว่ามักไม่องแปดนี้เมันได้ปรุงแต่งขึ้นจนเป็นมักขสมังคีกําจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็เสร็จกิจ ไม่ต้องปรุงแต่งอันอีกต่อไปยังชื่อว่าเป็นยอดเหมือนยังขึ้นไปถึงยอดไม้แล้วก็ไม่ต้องขึ้นต่อไปเมื่อขึ้นไปถึงมัคม่องแปดที่เป็นมัคสังคีแล้วกําจัดกิเลสได้หมดจินแล้วก็เป็นอันว่าหมดกิจไม่ต้องขึ้นไม่ต้องทากันต่อไปเสร็จกิจเพราะฉะนั้นจึ่งเป็นสังขารคือสิ่งะสมปรุงแต่ง แต่ว่าปรุงแต่งมักไม่องแปดก็นับเข้าว่าเป็นปุญญาไิสังขารปรุงแต่งบุญและก็นับเข้าในข้ออเนญชาไปสังขารปรุงแต่งอเนชาเรามีสมาธิอยู่ด้วยสังขารทั้งปวงนี้คือสิ่งผสมปรุงแต่งการผสมปรุงแต่งทั้งปวงนี้มีเพราะอาวิชชาเมื่อมีอวิชชาจึงมีการผสมปรุงแต่งดังจะเพึงเห็นได้ว่า เพราะมีเพราะมีอวิชชาจึงได้มีคาเกิดขึ้นมาเป็นสังขารสามกายจะสังขารมจีสังขารกิตสังขารแล้วมันมีสังขาร ส, ส, สามกแปลว่ามีขันห้าบริบูรณ์มีกายใจบริบูรณ์ก็ทำบุญทำบาปทำสมาธิกันได้ปฏิบัติในมักมีองค์แปดได้ ในการปฏิบัติแม้ที่เป็นบุญก็เพราะว่าเพื่อที่จะชำระบาปชำระกิเลสจึงมีอวิชชานั่นแหละเป็นหัวหน้าถ้าหากว่าไม่มีอวิชชาแล้วคือดับอวิชชาเสียได้แล้วก็ไม่ต้องทำบุญไม่ต้องทำบาปกันต่อไปเรียกว่าเศรษฐกิจ การนี่ต้องทำบุญอยู่นั่นก็เพราะว่ามีบาปที่จะต้องละมีกิเลสที่จะต้องละมีอวิชชาที่จะต้องละจึงต้องทำบุญต้องปฏิบัติในมัชฌิองค์แปดต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญากันและเมื่อยังมีอวิชชาก็ต้องทำบาปเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้น ยังต้องทาบาปทำบุญกันอยู่ต้องทำสมาธิกันอยู่ทำบุญก็เพื่อละ บ, บาปละกิเลสและจะทำบาปก่อกิเลส ก, กันอยู่ก็เพราะยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าต้องมีกิจที่จะต้องทำาลวงพเจ้ายังได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าเพิ่งอบรมศีล ส, สมาธิปัญญาตราบเท่าจนถึง สิ้นความติดใจยินดีบรรลุนิพพานดับกิเลสได้กองทุกข์ได้หมดสิ้นคือแปลว่าเมื่อดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วดับอวิชชาได้แล้วอวิชชาเป็นหุ่นหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายหรือจะว่าอาสวะเป็นหุ่นหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายก็ได้เมื่อดับได้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จกิจ ไม่ต้องปรงุงไม่ต้องแต่งกันต่อไปดังที่ตรัสเอาไว้ว่าจิตถึงวิสังขารคือธรรมะที่ปราศจากความปรุงแต่งบปรุงแต่งอันหมายถึงนิพพานเพราะสิ้นตัญหาทั้งหลายก็เป็นอันว่าจิตนี้หยุดปรุงแต่ง เพราะละอาวิชาได้จิตประกอบในวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงวิมุตคือความหลุดพ้นเรียกว่าเป็นจิตที่รู้พ้นจิตนี้รู้อะไรอะไรทุกอย่างทางอาจจตนะตาหูเป็นต้นแต่รู้แล้วไม่ยึดหลุดพ้นทุกอย่าง เป็นจิตที่รู้พ้นจิตที่รู้ก็คือจิตที่มีวิชาจิตที่พ้นก็คือจิตที่มีวิมุตตรู้พ้นจึงเป็นจิตที่บรรลุวิสังขารที่เียกว่นานิพพานคือธรรมะที่ไม่มีสังขารคือปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่ปรุงแต่งบุญไม่ปรุงแต่งบาปไม่ปรุงแต่งอเนชาทั้งหมดอยู่กับรู้และพ้น ในเมื่อวิบากขันนี้ยังดำรงอยู่เมื่อวิบากขันนี้ยังดำรงอยู่ก็คงมีกายสังขารปรุงแต่งกายอย่างให้ใจเข้าให้ใจออกมีวิจีมัจีสังขารคือวิตกวิจารตรึกตรองพูดมีจิตสังขารสัญญาเวทนาคิดตรึกตรองเป็นต้นดังประสัมมาสัมพุติเจ้า เมื่อได้ตรัสรู้แล้วจิตของพระองค์ดับกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นแล้วดับโอวิชชาได้แล้วจิตของพระองค์อยู่กับวิชชาวิมุตติแต่พระกายก็ยังให้ใจเข้าให้ใจออกและยังทรงมีวิตกวิจารณ์แสดงธรรมะสั่งสอนก็เป็นพระวาจาที่แสดงออกมาวิตกวิจารณหรือวิชชา คือความรู้วิมุตต์คือความพ้นจิตของพระองค์ก็ยังเป็นจิตมีจิตเป็นจิตสังขารมีสัญญาเวทนานี้กรุงแต่งจิตให้คิดเป็นทรงตรองทร ง, ทรงระยานดูสัตว์ทั้งหลายในตอนเช้าเมื่อผู้ใดเข้าในข่ายของพระาญาณว่าเป็นเวนยัยนิเวนัยยชน คือบุคคลที่พึงแนะนําอบรมได้ก็เสด็จไปทรงแสดงธรรมะโปรดก็เป็นอันว่ากายสังขารมจีสังขารจิตสังขารของพระองค์นั้นเป็นวิบากขันธ์ที่เหลืออยู่และก็ทรงใช้วิบากขันธ์ที่เหลืออยู่นี่ด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดให้ เวยให่เบญายนิกรพ้นจากกิเลสในกองทุกตามพระองค์จึงตรงใช้ยอยู่ตลอดเวลาถึงสี่สิบห้าปียังดับขันธาปรินิพันธ์ดับกายจะสังขารมจีสังขารจิตสังขารแต่เพราะสิ้นกิเลสหมดสิ้นแล้วจึงไม่ทรงเกิดอีกไม่ก่อเกิดกายจะสังขารมจีสังขารจิตสังขาร คือขันท่าหรือนามรูปขึ้นอีกเป็นภูไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็เป็นภูที่ไม่แก่ไม่ตายพ้นจากถ้อยคำที่จะพูดถึงว่าเป็นอะไรเพราะเมื่อพูดถึงว่าเป็นอะไรก็ต้องเป็นสังขารขึ้นมาต้องเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาถึงจะพูดถึงได้แต่เมื่อไม่เป็นสังขารไม่เป็นสิ่งที่ปรงแต่งขึ้นมาไม่เป็นนั่นเป็นไม่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรจะพูดถึง อาจจะกล่าวได้แต่เพียงว่าเป็นอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายที่เป็นวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดแต่ตระับใดที่ยังมีอวิชาอยู่ก็จะต้องมีสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งการผสมปรุงแต่งต้องทําบุญต้องทําบาปต้องทําสมาธิตลอดจนถึงต้องปฏิบัติมรรคในองค์แปดเป็นต้นกันไป เพราะฉะนั้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารจึงผสมปรุงแต่งและการผสมปรุงแต่งดังนี้และสิ่งผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งอันนี้ว่าสังขาร น, นี้ต้องมีอยู่ตลอดเวลาดังชีวิตนี้ต้องมีการผสมปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วหยุดเมื่อใดก็ดับชีวิตเมือ น, นั้น ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป